มาดูสูตรเอาธรรมะมาทำทําการค้าดีกว่าปฏิสัลลาณสูตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณปุพพารามปราศาสตรของนางวิสาขามิคารมานดาใกล้พระนะครสาวัตถีก็สมัยนั้นแหลในเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากที่เร้นประทับนั่งอยู่ภายนอกซุ้มประตู ลำดับนั้นแลพระเจ้าประสเสนที่โกศลเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วประทับนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งก็สมัยนั้นชดินเจครกคนนิครนเจ็คนอจเจลกเจ็ดคนนะเอกะสาดกเจ็ดคนปริภาชกเจ็คนมีขนรักแร้และเล็บงอกยาว หาก บ, บริขารล้าอย่างเดินผ่านไปในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคเจ้านะจริงๆพวกเนี้ยหน่วยจรกรรมนะั่นะี่ยหน่วยสืบราชการลับนะนะนั่นสืบราชการลับแบบแขกก็ต้องทําตัวแบบแขกนะแปลมตัวเป็นนักบวชเนี่ยนะสืบราชการลับได้ดีพระเจ้าประเสริฐที่โกศลได้ทอดพระเนตรเห็นฉดินเจ็ดคนนิคนณเจ็ดคนอเจลกเจ็ดคนเอกาสาดกเจ็ดคนปริภาชกเจ็ดคนเหล่านั้น ผู้มีขนรักแร้แลเล็บงอกยาวหาบริการหลายอย่างเดินผ่านไปในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคเจ้าพระเจ้าประสิิ์นี่ก็เกิดแผนขึ้นนะนะก็บางแผนขึ้นแล้ ว, ลวก็กล่าวว่าลูกจากอาสนะกระทำผ้าห่มเฉี่ยงบ่าข้างหนึ่งแล้วก็ทรงคุกเขา่ามนทนเบื้องขวาลงที่แผ่นดินทําเหมือนพรหมนะนะทรงปนมอัญชลีไปทางที่ศเสด็จคนนิค น, คนเจ็คนอเจลร อเจลกเคนเอากาสาดกเจคนและปริภาชกเจคนแล้วก็ส่งประกาศพระนามสครั้งว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญทั้งหลายข้าพระเจ้าคือพระเจ้าประเสริฐที่โกศลข้าแต่ท่านผู้เจริญทั้งหลายข้าพระเจ้าคือพระเจ้าประเสริฐที่โกศลข้าแต่ท่านผู้เจริญทั้งหลายข้าพระเจ้าคือพระเจ้าประเสริฐที่โกศล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 ก็ท่านเหล่านั้นเป็นคนหนึ่งในจำนวนพระอรหันต์หรือในจำนวนท่านผู้บรรลุอรหัตตมักในโลก น, น, นะนะอาศัยช่องอ่ะนะคล้ายๆก็ว่ากแกล้งพระพุทธเจ้าต่อบอีกน่อยเนี่ยพระอรหันต์พระเจ้าค่ะวหมนกันก็มาดูอัตกถานิดหนึ่งนะจะได้รู้เข้าใจเนื้อเรื่องชัด <c oughs> ก็บอกบทว่าราชาหังพันเตปเสนที่โกสโลความว่าพระเจ้าปเสนที่โกสลประกาศว่าท่านผู้เจริญข้าพระเจ้าเป็นพระราชาพระนามว่าประเสนที่โกสนท่านทั้งหลายจงทราบนามของข้าพระเจ้าถามว่าก็เพราะเหตุไรพระราชาผู้ประทับอยู่ในสำนักอัคาระบุคคลผู้เลิศในโลกจึงประคองอัญเชลีแก่นักบวชเปลือยผู้ไม่มีสิริเห็นปาา น, นั้นตอบว่าเพื่อ ต้องการส ง, สงเคราะห์จะต้องการให้ได้รับการสงเคราะห์นะจริงอยู่พระเจ้าปเสนที่โกศลได้มีพระดำริอย่างนี้ว่าถ้าเราไม่ทำเหตุแม้เพียงเท่านี้พวกเหล่านี้ก็จะคิดว่าพวกเราละบุตรภริยาได้รับการกินและการนอนลำบากเป็นต้นเพื่อประโยชน์แก่พระราชานี้พระราชานี้ไม่ทรงกระทาแม้เพียงยาเกรงพวกเราเพราะเมื่อทรงทาความยาเกรงเป็นต้น ผู้คนจะไม่เชื่อพวกเราว่าเป็นพวกสอดแนมจะเข้าใจว่าเราเป็นบนรรพชิตจริงจะประโยชน์อะไรด้วยการบอกความจริงแก่พระราชานี้จึงปกปิดสิ่งที่ตนเห็นและได้ยินก็ไม่ยอมบอกพระราชาแต่เมื่อทรงทําอย่างนั้นชนเหล่านั้นก็จะบอกโดยไม่ปกปิดพันก็เรียกว่าเหตุผลทางการเมืองที่ต้องประกาศตัวเองว่าข้าพเจ้าคือพระเจ้าพระเศษที่โกศนเป็นต้นเนี่ยนะ อีกอย่างหนึ่งแม้เพื่อจะทรงทราบอัธยาศัยของพระศาสดาคือพระราชาเนี่ยนะกระทำอย่างนั้นเพราะพระราชาเมื่อเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงเชื่อพระสัมมาสัมโพธิญาณสิ้นการเล็กน้อยเพราะแรกๆไม่เชื่อนะว่าเป็นพระพุทธเจ้าจริงอะไรหรอกแต่ก็เข้าไปนับถือไปอย่างนั้นนะเพราะคนเขานับถือกันมากอะพระราชาจึงนำเดจอย่างนี้ว่าถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเหตุทั้งปวงไซ เมื่อเรากระทำความยำเกรงต่อพวกเหล่านี้แล้วพูดว่าชนพวกนี้เป็นพ า, ารหันก็จะไม่พึงยินยอมถ้าพระองค์ทรงยินยอมคล้อยตามเราพระองค์ก็ไม่ก็เป็นสัพพันยูมาจากที่ไหนเท้าเธอทำอย่างนี้เพื่อจะทราบอัทยาศัยของพระศาสดาด้วยประการเชนนี้นะเขาเรียกว่าทำครั้งเดียวได้ได้สองเรื่องเดียวกันเรื่องที่หนึ่งนะเหตุผลว่าพวกจาร บ, บุรุษเหล่านั้นก็จะเล่าความจริงให้ตัวเองฟัง เหตุผลหนึ่งจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าแท้แค่ไหนเหมือั้นแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบว่าเมื่อตาาคตกล่าวไปตรงๆว่าพวกนี้ไม่ใช่สมณะเป็นคนสอดแนมแม้ถ้าพระราชาพึงเชื่อไสฝ่ายมหาชนก็ไม่ทราบความข้อนั้นก็ไม่พึงเชื่อ ถึงพระองค์บอกว่าคนพวกนั้นไม่ใช่รอกเนี่ยนะพวกนี้หน่วยจารกรรมทั้งนั้นแหละนะหน่วยบุรุษผู้สอดแนมทั้งนั้นแหละนะคนที่อยู่ในนั้นก็สงสัยใช่ัหยก็จะพึงกล่าวว่าพระสมณโคดมนิตรคำอะไรอะไรจนคล่องพระโอษฐว่าพระราชาฟังคำของพระอราหารันต์ก็ไปตำหนิพระองค์เข้านะข้อนั้นจะพึงเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เพื่อความทุกข์ตลอดกาลนาน แก่มหาชนนั้นทั้งงานรับของพระราชาก็จะพึงเปิดเผยขึ้นนะรักษาได้ทั้งสองอย่างนะรักษางานพระราชาด้วยแล้วก็รักษามหาชนไม่ให้เป็นบาปด้วยพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนมหาบาพิษนะคำตอบในหน้าในข้อหนึ่ง้อสาสบสามว่าดูก่อนมหาบาพิษมหาบาพิษเป็นเครือขัดบริโภคการ ทรงครองคารวาสขับข้างด้วยพระโอรสและพระมเหสีทรงใช้สอยผ้าแคว่งกาสีและจันทร์ทรงทัศนทรงดอกไม้ของหอมและเครื่องประเทืองผิวทรงยินดีเงินและทองยากที่จะทรงทราบได้ว่าท่านเหล่านี้เป็นพระอรหันต์หรือว่าท่านเหล่านี้บรรลุอรหัตตมัช ก, นะก็เป็นชาวบ้านครองเรือนจะไปรู้ได้อย่างไรว่าใครเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ใครไม่ใช่พระอรหันต์แตรู้จริงก็รู้ยากนะนะ ดูก่อนมหาบาพิษศีลพึงทราบได้ด้วยการอยู่ร่วมกันและศีลนั่นแหลพึงทราบได้โดยการละนานมิใช่โดยการนิดหน่อยเมื่อมนสิการพึงทราบได้ไม่มนสิการไม่พึงทราบผู้มีปัญญาพึงทราบได้ผู้มีปัญญาสามไม่พึงทราบได้นั้นเกี่ยวกับเรื่องศีลเนี่ยนะจะต้องอยู่ด้วยกันนานๆมันจึงจะรู้ว่าคนนี้มีศีลหรือไม่มีศีล ใช้เวลาเล็กน้อยไม่รู้รอกว่าถ้าแทของคนนั้นจริงๆเนี่ยดีหรือเลวดีหรือชั่วขณะเดียวกันจะต้องมณนัศการนะจะต้องเอามาตรึกมาไข่ครวรบ่อยๆและต้องมีปัญญารู้ว่าสีนคืออะไรถ้าไม่รู้จักสีนจะรู้ได้ไหมว่าใครมีสินมันจะต้องอาศัยเนี่ยเหตุผลคือสีนทราบได้ด้วยการอยู่ร่วมกันนาน ความเป็นผู้สะอาดเนี่ยนะความเป็นผู้สะอาดพึงทราบได้ด้วยการปราศัยและความเป็นผู้สะอาดนั่นแลพึงทราบได้โดยการละนานไม่ใช่โดยการละนิดหน่อยมนุิการพึงทราบได้ไม่มนสิการไม่พึงทราบผู้มีปัญญาพึงทราบได้ผู้มีปัญญาสามไม่พึงทราบใครสะอาดไม่สะอาดจริงก็ดูที่คำพูดกำลังใจเนี่ยนะกำลังใจคือปัญญาเนี่ยกลังยาณด้วยนะพึงทราบได้เพราะอันตราย และกำลังใจนั้นพึงทราบได้โดยการละนานมิใช่โดยกาละนิดหน่อยมานสิการพึงทราบได้ไม่มานสิการไม่พึงทราบผู้มีปัญญาพึงทราบได้ผู้มีปัญญาสามไม่พึงทราบได้ปัญญาพึงทราบได้ด้วยการสนทนาก็ปัญญานั่นแหลพึงทราบโดยทราบได้โดยการละนานมิใช่โดยการละนิดหน่อยมานสิการพึงทราบได้ไม่มานสิการไม่พึงทราบ ผู้มีปัญญาเพ่งทราบได้ผู้ไม่ผู้มีปัญญาสามไม่พึงทราบ พ, พระเจ้าประสเสนที่โกศลก็บอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริ ญ, รรรรญไม่เคยมีมาพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสท่าดํารสนี้ว่าดูก่อนมหาบาพิษมหาบาพิษเป็นเครหอขบริโภคการทรงครองคารวาตอันคับข้างด้วยพระโอรสและมเหสีทรงใช้สอย ผ้าแขวนกาสีและจันทร์ทัดท่งดอกไม้ของหอมและเครื่องประเทืองผิวทรงยินดีเงินและทองยากที่จะรู้ได้ว่าท่านเหล่านี้เป็นท่ารหันหรือว่าท่านเหล่านี้บรรลุอรหัตตมักดูก่อนมหาบาพิษศีลพึงทราบได้ด้วยการอยู่ร่วมกันและศีนั่นแหลเพึงทราบได้โดยการนานมิใช่โดยกาละนิดน้อยมนานสิการพึงทราบได้ไม่มนานสิการไม่พึงทราบผู้มีปัญญาพึงทราบได้ผู้มีปัญญาสามไม่เพึงทราบ ความเป ad, ็ ua. p p นผ ouais. ู้สะอาดพึงทราบได้ด้วยการตราศัยและความเป็นผู้สะอาดนั้นแลพึงทราบได้โดยการละนานไม่ใช่โดยการละนิดหน่อยมานสิการพึงทราบได้ไม่มานสิการไม่พึงทราบผู้มีปัญญาพึงทราบได้ผู้ไม่ผู้มีปัญญาสามไม่พึงทราบกำลังใจพึงทราบได้เพราะอันตรายและกำลังใจนั้นแลพึงทราบได้โดยการละนานไม่ใช่โดยการละนิดหน่อย มนัสิการพึงทราบได้ไม่มนัสิการไม่พึงทราบผู้มีผู้มีปัญญาพึงทราบได้ผู้มีปัญญาสามไม่พึงทราบปัญญาพึงทราบได้ด้วยการสนทนาและปัญญานั้นแหลพึงทราบได้โดยการละนานมิใช่โดยการละนิดหน่อยมนัสิการพึงทราบได้ไม่มนัสิการไม่พึงทราบผู้มีปัญญาพึงทราบได้ผู้มีปัญญาสามไม่พึงทราบข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเปิดเผยเลยนย พวกราชบุรุษของหม่อมชั้นเหล่านี้ปลอมตัวเป็นนักบวชเที่ยวสอดแนมตรวจตราชนบทแล้วกลับมาพวกเขาตรวจตราก่อนหม่อมชั้นจากตรวจตราภายหลังนนแสดงว่าให้เขาไปสอดแนมดูก่อนพระราชาค่อยเสด็จเนี่ยนะก็ส่งหน่วยหน่วยสืบราชการรับไปสืบดูก่อนว่าบ้านเมืองตอนนี้เป็นอย่างไรแล้วค่อยไปทีหลังข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดังนี้พวกเขาลอยธุลีและมนทินแล้ว ก็ไปอาบน้ําแล้วไล้ทาดีแล้วตัดผมโกนหนวดนุ่งหม่มแล้วก็นุ่งผ้าขาวอิ่มเอิบพรั่งพร้อมไปด้วยกรรมมาคุณหา้าบำเรอตนอยู่พวกนี้นะักลับบ้านไปอาบน้ําแต่งตัวก็เป็นคาราวะาปกติพระเจ้าข้าเหมือนกันฮพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนี้แล้วก็เปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าบรนประชิตไม่ควรพยายามในบาปประดามทั่วไปไม่ควรเป็นคนใช้สอยของผู้อื่น นะไม่ควรเป็นคนใช้ของผู้อื่นนะนะบัประชิตเนี่ยไม่สมควรไม่ควรอาศัยผู้อื่นเป็นอยู่ไม่ควรแสดงธรรมเพื่อประโยชน์แก่ทรัพนะไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่แสดงธรรมเพื่อประโยชน์แก่ทรัพย์ดูคําอธิบายในหน้าหกศเนี่ยนะบอกว่าปุตตะสัมภาทายสยังสัมภาทัศยนังนี ได้แก่พระองค์เนี่ยทรงนอนเบียดเสียดกับพระโอรสพระมเหสีก็การนี้ท่านแสดงถึงการกําหนดเอาพระมเหสีโดยยกพระโอรสขึ้นเป็นประธานท่านแสดงถึงความที่จิตของชนเหล่านั้นเศร้าหมองโดยถูกความโศกมีราค่าเป็นต้นครอบงําโดยความที่พระราชานี่มีจิตติดข้องอยู่ในบุตรและภรยาพระองค์เป็นผู้บริโภคกามใช้ข้าวของเครื่องย้ายแบกคนบริโภคกามทั้งนั้น แล้วพระ อ, องค์ก็บอกว่าศีลจะพึงรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันเนี่ยนะสังวาสเนี่ยนะโดยสังวาสสังวาสคือการอยู่ร่วมกันไอ้คําว่าอยู่ร่วมกันนี้ไม่ได้หมายถึงคิดเป็นอื่นเนี่ยนะหมายว่าคลุกคลีเกี่ยวข้องกัน mm. บทว่าสีลังเวทิตัพังความว่าอันผู้อยู่ร่วมกันคืออยู่ร่วมในที่เดียวกันพึงทราบว่าผู้นี้เป็นผู้มีศีลหรือเป็นผู้ทูศีลถ้าอยู่ด้วยกันไปนานๆก็จะรู้ใช่ไหมว่า ความประพฤติทางกายเป็นยังไงคำพูดทางวาจาเป็นยังไงกิริยาอาการการประกอบการใช้ชีวิตเป็นอย่างไรก็จะรู้ได้ว่ามีศีลหรือไม่มีศีลตันจะโคทีเคนะอัตถุนานนะอิตเรนะณะความว่าศีลนั้นพึงทราบโดยการลนานไม่พึงทราบโดยกาละที่จะพึงมีพึงเกิดจิงอยู่ในวันเล็กน้อยใครใคอาจแสดงเป็นผู้มีอาการสํารวมและการสํารวมอินทรีย์ จะไม่แค่วันสองวันนี่มันก็อะไรนะสามารถพอจะปกปิดท่าแท้ของตัวเองได้บ้างแต่ถ้านานๆานเข้าปกปิดได้ไหมกิริยาอาการเคยมีพฤติกรรมยังไงก็เรียกว่าโชว์ตัวตามเป็นจริงว่างั้นนะจะต้องรอดูกันต่อไปอะไรนะระยะทางพิสูจน์อะไรมาการเวลาพิสูจน์ว่าดีจริงหรือปลอมเนี่ยนะก็ดูกันไปข้างตายไปข้างหนึ่งนะันแหละหมดว่ามานสิกโรตาโ no. นอมานาสิกโรตาความว่า ศีลนั้นเนี่ยนะแม้บุคคลผู้ใสยใจคือพิจารณาว่าเราจะกําหนดศีลของเขาอาจจะรู้ได้บุคคลนอกนี้หารู้ได้ไหมถ้าอยู่ด้วยกันนีก็ต้องมาคิดดูนะว่าคนนั้นจะต้องมีข้อมูลเรื่องศีลแล้วเอาศีลเป็นเครื่องวัดดูซิลองใจดูว่าคนนี้จะรอมยอมล่วงศีลไหมเนี่ยนะเขาก็มีการค่าๆกันลองใจกันดูนะลองใจกันดูว่าดูซิศีลจะแยะจะแน่ไหมอะไรไม่เป็นต้น บทว่าปัญญวตาความว่าศีลแม้นั้นเฉพาะผู้มีปัญญาคือบัณฑิตอาจรู้ได้เพราะคนเขลาใส่ใจอยู่ก็ไม่อาจรู้นะถูกตกตาอีกเบ็ดเสร็จเนี่ยนะก็ไม่รู้อีกนะอย่างพระเจ้าเปรสเซนที่โกศลเนี่ยนะถูกอะไรนะพนางมาริกาหลอกตัวเองก็ยังไม่รู้ตัวอยู่นั่นแหละนะเพราะว่าไม่มีปัญญาญคนมีปัญญาเท่านั้นจึงจะรู้ว่าเศีลเนี่ยเป็นนะคนนั้นมีศีลจริงหรือไม่ก็อยู่ที่ปัญญา ข้อต่อไปอะไรความเป็นผู้สะอาดทราบได้ด้วยการปราศัยทราบด้วยการพูดการคุยะนะทีนี้ก็ขยายศัพ์โวหารศัพท์เนี่ยโวหารศัพท์บางทีหมายถึงวานิชกรรมบางทีหมายถึงเจตนาบางทีหมายถึงบัญญัติแต่ในที่นี้ถ้อยคําชื่อว่าโวหารถ้อยคำนะชื่อว่าโวหาร บอกว่าความสะอาดนี้จะรู้ได้ด้วยด้วยถ้อยคำจริงอยู่การกล่าวต่อหน้าของคนบางคนย่อมไม่สมกับถ้อยคำที่กล่าวลับหลังและถ้อยคำที่กล่าวลับหลังก็ไม่สมกับคำที่กล่าวต่อหน้าถ้อยคำที่กล่าวก่อนก็เหมือนกันไม่สมกับถ้อยคำที่กล่าวทีหลังและถ้อยคำที่กล่าวทีหลังก็ไม่สมกับถ้อยคำที่กล่าวก่อน ผู้นั้นเมื่อกล่าวอยู่นั่นแลใครใครก็อาจรู้ได้ว่าบุคคลนั้นไม่สะอาดเลยไม่จริงอ่ะใช่ไหมเพราะว่าขึ้นต้นก็อีกอย่างหนึ่งตอนจบก็อีกอย่างหนึ่งะนะเพราะฉะนั้นต่อหน้ารับต่อหน้าฉันใดรับหลังก็ฉันนั้นรับหลังฉันใดต่อหน้าก็ฉันนั้นพูดก่อนฉันใดผู้ที่หลังก็ฉันนั้นะนะเรียกว่าเป็นอย่างนั้นสม่ําเสมอเนี่ยนะมีความสม่ําเสมอ อ่าไม่ใช่ว่าต่อหน้าอย่างหนึ่งรั nenhum, บหลังอย่างหน based, isation. ึ่งนะที่เขาเรียกว่าอะไรนะต่อหน้าชมชมชมชมรับหลังก็ดางัดเอาจากขุดกูขุดรากขุดเง้ามีกี่เส้นเอามาขุดหมดเป็นต้นน่ยนะถ้าอย่างนี้ก็แปลว่าไม่ใช่ใช่ไหมก็ต้องดูว่าอย่างเช่นว่าสมมุติว่าเราเกี่ยวข้องกับคนหนึงถ้าชมต่อหน้าฉันไดก็ชมรับหลังฉันนั้นถ้าดาต่อหน้าฉันไดตําหนิรับหลังก็ฉันนั้นแต่ก <dessus> ็พ <olé Cliff> ิจารณาให้ดีกันแล้วกันแล้วค่อยพูด แต่สรุปว่าคำพูดเนี่ยนะเป็นตัวบอกว่าคนนั้นเนี่ยเป็นคนสะอาดจริงหรือไม่พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงประกาศว่าสำหรับผู้ที่มีความสะอาดเป็นปกติคำที่กล่าวไว้ก่อนย่อมสมกับคำที่กล่าวไว้ทีหลังคำที่กล่าวไว้ทีหลังก็ย่อมสมกับคำที่กล่าวไว้ก่อนคำที่พูดตอหน้าก็สมกับพูที่คำคพูดรับหลังคาพูดที่กล่าวรับหลังก็สมกับคาพูดที่ พูดต่อหน้าเขาก็เลยรู้ได้ว่าเออคนนี้สะอาดเนี่ยนะก็เก็บข้อมูลนะเก็บสถิติดูว่าเออมันก็เหมาะกันเนี่ยนะคืออะไรนะสมัยใหม่ก็ใช้คําว่าเข้ากันได้เอคนนั้นคนนั้นคนนั้นสื่อจากหลายๆตําแหน่งเนี่ยเหมือนกันเนี่ยนะคือเรียกว่าตรงกันเหมือนกันเพ้าก็เลยรู้ได้เออคนนี้สะอาดนะบัณฑิตพึงทราบความสะอาดด้วยการาด้วยอาการดังกล่าวมานี้ก็ จริงๆก็สำคัญนะนะการที่เก็บข้อมูลใช่ไหมว่าคำพูดก่อนเป็นอย่างไรคำพูดทีหลังเป็นอย่างไรเนี่ยนะแต่ถ้าก่อนกับหลังไม่สมกันนี่ก็ต้องเออมาทบทวนให้ดีๆนะต่อไปในยะที่สามบอกว่ากำลังใจเนี่ยพิ่งทราบได้ในเพราะอันตรายบทว่าถามโมได้แก่กำลังกำลังใจคือกำลังกลังของใจเนี่ยปกติมีอะไรบ้าง ศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาตรงนี้เน้นกำลังคือปัญญาก็ผู้ที่ไม่มีกำลังแห่งญาณคือปัญญาเนี่ยนะย่อมไม่มองเห็นสิ่งที่ควรถือเอาคือกิจที่ควรทำในเมื่ออันตรายเกิดขึ้นจึงเที่ยวไปเนี่ยเหมือนเข้าเรือนที่ไม่มีประตูคนที่ไม่มีกำลังใจเนี่ยนะมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นมานี่เป็นยังไงคนที่ไม่มีกาลังคือปัญญาพอมีเหตุมีเรื่องมีราวขึ้นมาก็ เหมือนเข้าบ้านไม่มีประตูนะมันวุ่นวายไปหมดเดินซะพลานไปหมเอาตรงไหนกันแน่เอาเข้ายังไงนะมันสับสนมันวุ่นวายไปหมดได้เรื่องนีน่นี่น่อยก็คําพูด่ะลูกลี้ลูกหลนนู่ยวุ่นวายเพราะฉะนั้นอันตรายเนี่ยพึงทราบได้ว่าเมื่อมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นมีมีอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมีเรื่องราวเกิดขึ้นเพื่อจะได้สอบดูว่าฉลาดแค่ไหนเก่งแค่ไหนส่วนต่อไปปัญญาพึงทราบได้ด้วยการสนทนาว่า สากัดช่ายด้วยการสนทนาการน่ะนะจริงอยู่ถ้อยคําของผู้สามปัญญาย่อมเลื่อนลอยไปเหมือนลูกขังในน้ําสําหรับผู้มีปัญญาเนี่ยนะเมื่อพูดย่อมมีไหวพริบไม่มีที่สุดไม่มีที่สุดจริงอยู่ปลาเนี่ยเขารู้ได้ว่าตัวใหญ่หรือตัวเล็กก็ด้วยน้ําที่กระเพื่อมนั่นเองอ น, นะน้ำกระเพื่อนี่บอกได้เลยว่าปลาชนิดนี้เนี่ยนะบางคนเก่งขนาดว่าเห็นน้ํากระเพื่อมบอกเลยแบบปลาตัวนั้นกี่กิโล ช่างได้เลยเห็นกระเพิ่มรอยกระเพิ่มในน้ําหวานแหลงไปเอาขึ้นมารู้ได้เลยว่าก็จริงอย่างที่เขาว่าในเะรื่องชำนาญในปลาผุดเท่านนพระผู้มีพระภาคเจ้ามิได้ตรัสถึงคนเหล่านั้นแก่พระราชาโดยตรงทีเดียวเป็นการประกาศอุบายเป็นเหตุให้รู้ถึงพระอรหันต์หรือไม่ใช่พระอรหรันต์ พระราชาทราบดังนั้นแล้วมีความเลื่อมใสในพระสัพพัญยุตยานและเทศนาวิราชของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เลยประกาศความเลื่อมใสของพระองวันหน้าอาศจันทร์พระเจ้าข่าไม่เคยมีมาพระเจ้าค่ะก็เลยบอกตรงๆว่าพวกนี้คือโจรบุคคลผู้ไม่ได้เป็นบรนประชิตบริโภคข้าวของชาวแว่นแควน้นโดยรูปของบรนประชิตเพราะเป็นผู้ปกปิดกรรมชั่วเอาไว้โอรจรกาแปลว่าเป็นคนสอดแนม จริงอยู่พวกโจรเมื่อเที่ยวไปตามยอดภูเขาก็ชื่อว่าเป็นคนสอดแนมเหมือนกันเพราะมีกรรมอันซามพวกนี้ก็เป็นคนของพระราชาที่ใช้งานไปใช่ไไปตรวจตราดูานะพระองค์นี้หลังจากทราบวา่าพวกนั้นเนี่ยเป็นเป็นนักบวชปลอมเนี่ยนะเรียกว่าบวชเพื่อที่จะประกอบการเลี้ยงชีพเป็นต้นพระองค์ก็เปล่งอุทานว่า บัปรปะชิตไม่ควรพยายามในบากปรกรรมทั่วไปไม่ควรเป็นคนใช้ของคนอื่นไม่ควรอาศัยผู้อื่นเป็นอยู่ไม่ควรแสดงธรรมเพื่อประโยชน์แก่ทรัพย์นั้นเอตมัทถังวิทิตวาความว่าทรงทราบความนี้กล่าวคือการที่ราชบุรุษเหล่านั้นเป็นผู้ลวงโลกโดยเพศบัปรปะชิตเพราะเหตุแห่งท้องของตนก็ยังมีอยู่นะอย่างบางประเทศเนี่ยนะบางประเทศที่ที่บ้านเมืองไม่สงบผาสุกเนี่ย เขาจะส่งหน่วยจารกรรมเข้ามาตรวจดูว่าที่อื่นเนี่ยมีการมีการประท้วงมีการอะไรบ้างเขาก็ส่งพระพิสูุเนี่ยนะเอาเอาข้าราชการเนี่ยมาบวชเป็นพระพิสูจนไปเที่ยวสืบดูว่าที่ที่ประเทศอื่นเนี่ยมีอะไรบ้างอะไรบ้างก็อย่างนี้ก็มีอยู่นะในในทุกวันเนี่ยบทว่าอิมังอุทานังก็เปล่งอุทานประกาศถึงข้อห้ามความผิดและความเป็นผู้ลวงโลกว่าอย่าไปทําผิดแบบนั้นอย่าไปลวงโลกแบบนั้น อธิบายว่าบทว่าณนะวายะมัยยะสัพพะทความว่าบันปะชิตไม่พึงพยายามไม่พึงทำความพยายามขวนขวายในการทำความชั่วทั้งหมดมีความเป็นทูตหรือการทำการเป็นคนสอดแนมเป็นต้นเหมือนอย่างราชบุรุษเหล่านี้อธิบายว่าไม่พึงทำความ พ, พยายามในกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งหมดพึงพยายามเฉพาะบุญแม้มีประมาณน้อยเท่านั้น คือถ้าจัดขยันจัดขยันก็ขยันทําบุญอย่างเดียวอย่าไปขยันเรื่องอื่นบทว่านานยะสะปุริโสศยาไม่พึงเป็นคนรับใช้คนอื่นโดยรูปของบรรปะชิตเพราะเหฮไรเพราะจะต้องทํากรรมชั่วมีสอดแนมเป็นต้นแม้เห็นตาม น, นี้บทว่านายยังนิสายชีวยะได้แก่เป็นผู้ไม่อาศัยบุคคลอื่นมีอิสระชนเป็นต้น โดยคิดอย่างนี้ว่าสุขทุกข์ของเราเนื่องด้วยผู้นั้นดังนี้แล้วเลี้ยงชีพคือเป็นผู้มีตนเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยอย่ามีคนอื่นเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยเลยคือหรืออีกอย่างหนึ่งไม่พึงอาศัยอกุศลกรรมเลี้ยงชีพเพราะได้นามว่าผู้อื่นอกุศลนี่เรียกว่าคนอื่นใช่ไหมเพราะนำมาซึ่งความพินาศบทว่าธรรมเณรนะวนีเจเรไม่พึงกล่าวธรรมะเพื่อต้องการทรัพย์ ไม่เพิ่งกล่าวธรรมะเพื่อต้องการทรัพย์เพราะผู้แสดงแก่ชนเหล่าอื่นด้วยเหตุแห่งทรัพย์เป็นต้นย่อมชื่อว่านําธรรมะไปทําการค้ า, านะนะเขาเราียกว่าเรียกราคาตัวเองเลยนะบอกว่าโอ้คำพุทธะฉันนะค่าตัวเท่านั้นเท่า น, นี้เป็นต้นเขาจะมีเพราะฉะนั้นอย่าเอาอย่าเที่ยวเอาธรรมะไปทําการค้าอย่างนั้นนะสมัยใหม่เนี่ยเขาบอกเขามีอะไรนะมีราคานะ มีค่าตัวว่าเออถ้าคนนี้เทศจะต้องค่าตัวเท่านั้นเท่านี้บอกว่าตั้งราคาให้ให้คำให้พุทธพจน์เลยหรือเนี่ยนะซึ่งพุทธพจน์เป็นสิ่งที่หาค่าไม่ได้ใช่ไหมไปตั้งราคาว่าเออชั่วโมงของเขาต้องเท่านั้นต้องเท่านี้โอ้เสียหายมากนะพระองค์บอกว่าอย่าเอาธรรมะมาทําการค้าอย่าเอาธรรมะมาเพื่อสแสวงหาทรัพย์เนี่ยนะแต่ก็อย่างว่านะคนบอดสัอย่างเดียวทำได้ทุกเรื่อง อีกอย่างหนึ่งบุคคลผู้ทากรรมมีการสอดแนมเป็นต้นเหมือนคนของพระเจ้าโกศลททำการสอดแนมเพื่อประโยชน์แก่ทรัพเป็นต้นดำรงตามกิจมีการสมาทานเพศบรรปชาเป็นต้นโดยไม่ให้คนอื่นสงสัยก็ชื่อว่านำธรรมะมาทำการค้าคไครว่าเอาเพศนักบวชมาทำการค้านะไม่ถูกฝ่ายบุคคลใดแม้ประพฤติพรหมจรรย์บริสุทธิ์ในาศาสนานี้ ก็ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อปรารถนาเทพนิกายเหล่าใดเหล่าหนึ่งแม้บุคคลนั้นก็ชื่อว่านําธรรมะมาทําการค้าหมายคาอว่าบวชแล้วอยากเกิดในสวรรค์ที่ อ, อยากเกิดในที่บวชนี่เพราะอยากไปสวรรค์อันนี้เขาเรียกว่าเอาธรรมะมาทําการค้าเหมือนกันอธิบายว่าไม่พึงประพฤติไม่ถึงไม่พึงเอาธรรมะคือกุศลธรรมทั้งมวลเนี่ยมาทําการค้าแบบนั้นอันนี้คือเน้นพิเศษคือสอนพระภิกษุว่าอย่าไปทําอย่างนั้นนะ แบ่งเป็นสองในใช่ไหมคืออย่าพูดธรรมะเพื่อทรัพย์อย่างหนึ่งและก็อย่าประพฤติกุศลรธรรมเพื่อประโยชน์แห่งเทพนิกายเป็นต้นนั่นเองช่วงนี้ก็พักสักครู่ก่อนนะเช่นพอ